นี่มาขึ้นคำภีร์ใหม่แล้วนะแสวงหาอริยทรัพย์ในบรรดาอริยทรัพย์ทั้งหลายทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหีเลอุตตะปะทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจากขะและวก็ทรัพย์คือปัญญาดังการเรียนธรรมะก็คือการเพิ่มพูนอริยทรัพย์เท่ากับขณะที่ฟังนี่ก็เป็นอริยทรัพย์ คือสุตตะขณะเดียวกันการฟังก็ยังเป็นอุปนิสัยให้ได้ทรั์คือศรัทธาให้ได้รั์คือศีนให้มีทรั์คือฮิริโอตตะเป็นเหตุแห่งทรั์คือจาคะและปัญญาก็ผู้ที่ไม่เบื่อหน่ายในการแสวงหาอริยทรัพย์บุคคลนั้นก็ย่อมพ้นจากทุกข์ได้นี่มาขึ้นพระสุตตันตปิฎกสุตตานิบาตนะน ในอุรวัคที่หนึ่งเรี่กว่าอุราคาสูตรเนี่ยนะว่าวยการกำจัดความชั่วเหมือนงูพิษในข้อ294ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุใดแลกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนหมอกำจัดพิษงูที่ส้านไปแล้วด้วยโอสถฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งีกสูตรบอกว่าภิกษุใดตัดราคะได้ขาดพร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือเหมือนบุคคลลงไปตัดดอกประทุมที่งอกขึ้นในสระฉะนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝังในและฝังนอกเสียได้ เหมือนงูละครับเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้ น, ส, นส่วนสูตรอื่น ๆ, ๆก็เอาไว้ค่อยๆอธิบายตามลำดับอัตถกถาอย่างน้นเดี๋ยวก็ลืมหมดมาดูข้อความในปรมัตถโชติกาอัตถกถาสุตตนิบาต ท, ที่พระพุทธโคสาจารย์เรียบเรียงกล่าวคำนอบน้อมพระตนะตรัยว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าพระพุทธโคสาจาร์ขอถวายอภิวาทแด่พระรัตนตรัยอันสูงสุดกว่าสิ่งที่ควรไหว้ทั้งหลายบรรดาสิ่งที่ควรกราบควรไหว้ควรนอบน้อมควรตามลำลึกถึงควรบูชาควรสักการะถือว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะสูงยิ่งกว่ากว่า น, นี้อีกแล้วเนี่ยนะ อันพระัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่ควรไหว้คำว่าไหว้นี้เป็นตัวแทนอันหนึ่งของการบูชาทางการบูชาด้วยอมิตรบูชาและปฏิบัติบูชามนั้นบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็ไม่มีผู้ใด ย, ยิ่งกว่าพระรัตนตรยัยสิ่งที่บูชาจะบูชาด้วยอมิตร อมิตรนั้นจะเป็นวัตถุเข้าของเครื่องใช้อะไรก็ตามหรือการปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิวิปัสนาหรือแม้กระทั่งบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุมรรคผลนก็ชื่อว่าพระองค์หรือพระตนตรายนั้นเป็นสิ่งที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาที่สูงสุดพอกราบไหว้บูชาพระธนตรายแล้วท่านบอกว่าจากอธิบายเนื้อความแห่งสุตตนิบาศ คำพีสุตตานิบาตนั้นเป็นคัมภีร์ที่พระโลกกนธาตคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามผู้สแสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นปจากโลกคือสแสวงหาทางแห่งโล ก, กุตระเนี่ยนะผู้ทรงมีปกติละเสียซึ่งความเสียหายแม้ความเสียหายแม้แต่เล็กน้อยพระองค์ก็ละได้หมดสิน้นพระองค์ได้ทรงแสดงคำพีแสดงคมพีสุตตานิบาตเอาไว้ในกลุ่มคุทถกาณิกาย คือในบรรดานิกายห้าเนี่ยนะสุตตานิบาตนับเนื่องในคุถกาณิกายก็สุตตานิบาตนี้ได้อย่างลงคือมีอยู่ในคำพีคุถกานิกายนั่นเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะได้อธิบายเนื้อความแห่งสุตตานิบาตแม่นี้หากจะมีคำถามว่าเพราะเหตุไรคำพีนี้จึงเกลื่อนกล่นไปด้วยคาถา น, นับร้อยประกอบไปด้วยขยะและวยาการณะจึงได้ชื่อว่าสุตตานิบาตเล่า คือเป็นคมภีร์ที่มีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอ น, นะนะเสขคาถาคาถาก็คือร้อยร้อยกรองเนี่ยนะแล้วก็จุนิยะก็คือคําอธิบายคือมีทั้งมีทั้งฉันทลักษณะและก็จุนิยะมีทั้งข้อเขียนและข้อคาถาทําไมคมภีร์นี้จึงเรียกว่าสุตตานิบาตเหตุผลที่เรียกว่าสุตตานิบาตก็คือที่เรียกว่าสูตรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เพราะไหลออกซึ milk, 是是่งประโยชน์ท like ั bien, ้งหลายเพราะเป็นเครื่องต้านฐานเอาไว้เพราะเพราะไขคือขยายความเนี่ยนะแล้วก็เพราะแสดงออกซึ่งอัฏฐะทั้งหลายด้วยดีเนื้อความทั้งหมดอยู่ในนิบาเห่านี้ที่พระธรรมสังฆากาจารย์ทั้งหลายคือพระพระเทระมีพระมหากรสปะเป็นต้นที่ร้อยกรองเรียบเปรียงรวบรวมพระสูตรทั้งหลายเห็นปานนี้แล้วย่อลงไว้โดยประการนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสุตตานิบาต เป็นคัมภีร์ที่พระมหากัสป่าเป็นต้นท่านเรียบเรียงเอาไว้ที่ชื่อว่าสูตรเนี่ยนะความหมายของคําว่าสูตรหรือพระสูตรมีความหมายว่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเอ้าที่อื่นก็ตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่หรือทําไมตรงนี้จึงบอกว่าตรัสไว้ดีแล้วอีกละ่ะก็เพราะว่าถ้ารมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตามในสุตตานิบาต ท, ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการแสดงอนุโลมตามอัธยาศัยของเวนยศัสตร์จริงๆ พันโดยมากเนี่ยทุกสูตรในนี้มีผู้บรรลุหมดพรันเป็นการแสดงตรัสไว้ดีก็คือตรัสไว้ถูกตรัสไว้ตรงตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์อันนว่าอัธยาศัยของเขาจะตรัสรู้ธรรมะด้วยตรัสรู้ด้วยสูตรใดพระองค์ก็แสดงสูตรนั้นตามสมควรที่จะให้เขาได้ตรัสรู้ก็เลยเรียกว่าพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพราะว่าการตรัสดีแล้วนั้นผลของการพูดดีก็คือทําให้ผู้ฟังถึงความ พ้นทุกข์เมื่อผู้ฟังถึงความพ้นทุกข์อย่างนี้แลเชื่อว่าพระธรรมนี้ตรัสไว้ดีแล้วอีกอันหนึ่งอัฏฐาของพระสูตรตรงนี้ยกตัวอย่างอัฏฐาของพระสูตรเพราะเพะมีกี่เพราะตรงนั้นดูสิมีห้าเพราะใช่ไหม <S <S เพราะที่หนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันนี้เหตุผลที่หนึ่งคำอธิบายคําว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหมายคำว่าตรัสอนุโลมต่ออัธยาศัยของเวนัยศัสตร์ทั้งหลาย อย่างที่สองเพราะไหลออกซึ่งประโยชน์ทั้งหลายพระสูตรเหล่านี้ไหลออกซึ่งประโยชน์อะไรประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายประโยชน์ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามนี้จะได้รับประโยชน์ตนจะได้รับประโยชน์ผู้อื่นจะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าในที่สุดก็ทําให้แทงตลอดประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะประโยชน์คือการบรรลุมรรคผลนิพพานคําสอนเหล่านี้ไหลออกซึ่งประโยชน์หลังออกซึ่งประโยชน์ ประโยชน์เหล่านี้จะมีได้ก็เพราะพระสูตรเหล่านี้นี่แหละต่อไปเพราะพระสูตรเนี่ยเป็นเครื่องต้านทานต้านทานแปลว่าอะไรแปลว่ารักษารักษาผลประโยชน์เอาไว้อย่างสมมติว่าพระสูตรนี่ไหลออกซึ่งประโยชน์ทั้งหลายใช่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองปลายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่ง ประโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะเมื่อตรัสพระสูตรเนี่ยช่วยรักษาป้องการรักษาผลประโยชน์อันนี้ไม่ให้ประโยชน์เหล่านี้เสียหายคำว่าต้านทานก็คือที่เกราะที่กาบังช่วยปกปักรักษาประโยชน์เหล่านี้ไม่ให้ประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้เสื่อมไปแช้ก็เพราะไข่ไข่แปลว่าอะไรสกรลไม้ไข่เขาทำไงท่านบอกว่าไข้ทัดดูตามที่อื่นอธิบายในลักษณะว่า เป็นสายบรรทัดของวินยูชนทั้งหลายคือวินยูชนทั้งหลายเนี่ย <trumpet. S 1> เวลาเขาจะตีความอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยากคิดจะว่าอะไร <dar kem S 1> ก็ว่าไปเรื่อยไม่เขาจะมีที่อ้างอิงเห็นไ้มนี่ก็เหมือนกันพระสูตรเหล่านี้เอาไว้สําหรับเป็นสายบรรทัดของวินยูชนทั้งหลายวินยูชนทั้งหลายจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะต้องมีพระสูตรรองรับจะต้องมีพระธรรมวินัยรองรับรั้นพระธรรมวินัยเหล่านี้นี่แหละเป็นสายบรรทัดของ วินยูชนเหล่านั้นเพราะว่าผู้ที่กล่าวทำผู้ที่ฟังธทำผู้ที่แสดงทำเนี่ยนะมันจะต้องมีที่อ้างอิงที่มาที่ไปแล้วถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องอ้างอิงเอาอะไรเป็นเป็นมาตรฐานล่ะก็เอาพระสูตรเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละมาไว้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นสายสายบรรทัดเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าเป็นพวกช่างไม้จริงๆถ้าเขาจะเลื่อยไม้เป็นต้นเนี่ยเขาจะต้องมีเส้นก่อนนะเขาจะเขาจะไม่ใช่เลื่อยไปเรื่อยตัดไปเรื่อยไม่ เขาจะทำตามเส้นฉันใดผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ทำตามเส้นที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ฉันนั้นเส้นเหล่านี้ก็คือพระสูตรนั่นเองสุดท้ายท่านบอกว่าเพราะแสดงออกซึ่งอัฏถทั้งหลายด้วยดีเรียกว่าแสดงออกซึ่งประโยชน์ทั้งหลายด้วยดีเนี่ยนะังนยะก็บอกว่าประโยชน์เหล่านี้ที่แสดงไว้อย่างนี้ก็ไม่กระจัดกระจาย เปรียบเหมือนอย่างว่าดอกไม้ทั้งหลายถ้าหากว่าเด็ดเอาแต่ดอกดอกดอ ก, ดอกมามากองกองไว้ถ้าลมพัดมาก็กระจายออกไปฉันใดคุณธรรมทั้งหลายเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้ามีพระสูตรพระสูตรก็ร้อยผลประโยชน์ร้อยพวงแห่งโพธิปัจจะธรรมร้อยอริยมร้อยคําสอนต่างๆเอาไว้ให้เป็นระบบเป็นระเบียบฉั้นพระธรรมเหล่านี้ก็แสดงออกซึ่งอัตถะ น, นะเป็นเหมือนกับมาร้อยกอง ร้อยอะนะร้อยศรัทธาร้อยวิริยะร้อยสติให้เป็นพวงเหมือนกับว่าเป็นเครื่องร้อยอริยทรัพย์ไม่ให้กระจัดกระจายพันนิบาตนี้คือสุตตนิบาตคือพระสูตรที่มีคุณมี คําอธิบายดังกล่าวไปว่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะไหลออกซึ่งประโยชน์ทั้งหลายเพราะเป็นเครื่องต้านทานเพราะแสดงไขเป็นเหมือนกับสายบรรทัดของวินยูชนเพราะแสดงออกรักษาซึ่งผลประโยชน์มาให้กระจัดกระจายที่พระมหากัสสปะเป็นต้นท่านรวบรวมนะประมวลลงทั้งหมดนี้ชื่อว่าสุตตนิบาตอันหนึ่งพระสูตรแม้ทั้งหมดโดยกําหนดแล้วทั้งหมดนะทุกสูตรก็เป็นพระดํารัสของพระพุทธเจ้า ผู้คงที่ตาที่โนคงที่คงที่ต่ออะไรคงที่ต่อโล ก, กธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญหรือสุขและทุกข์เป็นผู้ที่คงที่ในอารมณ์ทั้งปวงหรือว่าเป็นผู้มั่นคงในโล ก, กธรรมทั้งแปดนะและคำพีนี้เป็นการรวบรวมพระสูตรเหล่านั้นที่เป็นพระดำรัสของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสุตตานิบาต แล้วก็ไม่มีลักษณะพิเศษที่เป็นเครื่องหมายให้เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นไปได้ถ้าไม่เรียกสุตานิบาศก็ไม่รู้จะไปเรียกอะไรว่างั้นเถอะอธิบายไปอธิบายมาว่าที่เรียกว่าสุตานิบาศน่ะมันถูกต้องแล้วแค่นี้แหละสุตานิบาศเนี่ยนะว่าเป็นวักวักนี่แปลว่ากลุ่มนะมีอยู่ห้ากลุ่มห้าวัก็คือห้ากลุ่มนั่นเองมีอะไรบ้างหนึ่งอุรคขวักวักเกี่ยวกับเรื่องงูจุลาวักวักน้อยมหาวักวักใหญ่ อัฐกะวรกก็ได้หมวด8เนี่ยนะแล้วก็ปรายณวรกในวัคทั้งห้านั้นอุรคาวรกเป็นวัคแรกเมื่อว่าโดยสูตรวักแรกมี12สูตรวัคที่2องสูตรวัคที่3ามสูตรวัคที่4ี่สูตรวัคสุดท้ายมี16สูตรอีกเหมือนกันจึงรวมเป็น70สูตรในบรรดาพระสูตร70สสูตรนั้นสูตรแรกสูตรแรกอุรค่าสูตรเป็นสูตรแรก ในพระสูตรเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อว่าโดยประมาณแห่งปริยัติคือการสวดก็มีอยู่ประมาณแปดพานวาระนะเขาเขาพูดถึงการนับกลุ่มธรรมะแบบโบราณแต่เมื่อว่าโดยปริมาณแห่งวัดสูตรและปริยัติอย่างนี้อุรค่าสูตรก็มีคาถาแรกว่าโยจะอุปติตังวิเนติโกทังเป็นต้น แปลว่าผู้ภิกษุใดแลโยก็คือผู้ใดหรือภิกษุใดนะแต่ว่าข้างล่างมีคําว่าภิกษุก็เลยโยว่าภิกษุใดแลย่อมกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนหมอกําจัดพิษงูที่ซ่านไปด้วยโอสดฉะนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่ครําคร่าแล้วฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะสูตรแรกนนเป็นสูตรแรก คาถาแรกในอุรขาสูตรเนี่ยนะทีนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อความเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งท่านก็จะได้ตั้งปัญหากรรมคือการถามปัญหาเพราะว่าถ้าตั้งปัญหาเป็นเนี่ยนะความรู้ความเข้าใจก็จะชัดเจนขึ้นอย่างอะไรนะวิจัยาหาระใช่ไหมจะขึ้นด้วยคำถามเนี่ยนะปุจฉชาวิสัชนาเป็นตน้นเขาจะมีการถามถ้ามีการถามก็ต้องมีคาตอบอย่างพระพุทธพจน์เหล่านี้ก็เหมือนกัน ก็ต้องมีคำถามขึ้นมาก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นคำตอบพุทธพจน์เหล่านี้เป็นคำตอบก็มาตั้งเป็นคำถามว่าเออแล้วสูตรนี้คาถาเหล่านี้ใครกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุอะไรทำไมจึงเอามาแสดงกล่าวทาไมเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่ตั้งว่าทำไมทำไมทำไมเนี่ยนะอะไรอะไรอะไ ร, ะไรถ้าถามบ่อยๆขความรู้ก็จะเกิดใช่ไมแต่ถ้าถามตอบไม่ได้ล่ะ บอกว่าต้องต้องตั้งคําถามถามเพื่ออะไรไม่ได้ถามเพื่อให้ให้ตอบไม่ได้แต่ถามเพื่อให้เกิดความรู้เกิดสติเกิ ด, กดปัญญาถามเพื่อความเข้าใจพรา ะ, ะนั้นคําถามเหล่านี้ที่สําคัญควรทําความเข้าใจก็คือคถานี้ใครกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อใดแล้วก็กล่าวเพราะเหตุใดใครกล่าวพระพุทธเจ้าทีานี้ในอัตถกถาทั่วๆไปนั้นท่านจะไม่พูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าแบบ คือเจ้าชายสิทธัะจะไม่แสดงแค่นั้นก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ได้รับพยากรณ์ในสํานักของพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเป็นต้นพระองค์บําเพ็ญพระบารมีอะไรบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัภิปรามีสิบมหาบริจักห้าเรื่อยมาตราบเท่าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรจุติจากพระเวสสันดรก็อุบัติในสวรรค์ชั้น ดุสิตพระองค์ก็ดำรงอยู่ในดุสิตจนสิ้นอายุไข576ล้านปีเนี่ยก็จูติจากดุสิตนั้นมาอุบัติในสักยะตระกูลดำรงอยู่ในคารวะวิสัยจนอายุได้29พระพันสาก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณะควงไม้โพ